วันพระแล่มแปดคำมันจะขวรจะทำศาสนาพิธีเนื่องหวพระแล้วก็สมาทานศีลห้านะส่วนจะใครจะรักษาตลอดทั้งวันทั้งคืนหรือจะรักษาหนึ่งสองสามนาทีสองสามชั่วโมงก็ได้ทั้งนั้นแหละนะถึงจะรักษาน้อยก็คือศีลคือรักษาศีล น, นะรักษาศีลรักษากายวายจาให้เรียบร้อย สีเลณสุขติงยันติผู้จะมีความสุขได้เพราะสินพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าอย่างนั้นสีเลณโพกสัมปทาผู้จะมีสินผู้จะมีโพคะสมบัติล่ำรวยได้ก็โดยอนิสงส์สินสีเลณ น, นิพุติงยันติผู้จะไปสู่นิพพานตัดกิเลสได้ก็เพราะสินเพราะนั้นสินไม่ควรจะมองข้าม เมือนี่พวกเข้าด้มาร่วมกันเป็นวันพระแปดําแลมแปดคาเดือนหกหรือว่าเดือนเจ็ดกแมนพอปีนี่แปดสองหนเพราะนั้นเอาไหว้พระเนี่ยพระประธานเนียไหว้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นนผู้จุดทูบเทียนพวกเข้ากับไหว้พระน้องมือเนี่ยคือเป็นตัวแทนผู้ที่จุดคือตัวแทนของพวกเข้าพวกเข้าหัาน้อมจิดน้อมใจ คือห้าจะบนิจุดเองคือเช่เนี่ย้งทรงตัวแทนไปจุดนะเอากาา้าบไปเลยอาเสียโต้เข้าแลวเสียงเลยเอาหองพรอมกันเลยเมื่อวายพาาระอรหังสวาสดาิตสุปฏิปโน แล้เพิ่นวบวชในวานาโมก็ต้องวานาโมหรอกเพราะวานาโมเนี่ยหลวงพ่อสิบภาควาดูแล้ว <Okay. S 1> จะนอกหนออยู่แล้วกันในในกิจกรรมอันเดียวกันเพราะนั้นเพิ่นยังบวชในวานาโมแ ล, แล้วกับมะยังพันเตเติชรนีได้อบอกวิสูงวิสูงลัคนัฏายะคำ ว, ว่ามะยังพันเตติชรนาาาีนจะจหะปัญจศีลานิยาจามะ ข้าพเจ้าขอจะมาทานศีลห้าตั้งแต่ปาณาธินากรเมมุสาสุราอันนี้ก็คือปัญจสีลคือศีลห้าแต่มายังพันเตวีส่งวีส่งรักนันทายะติสรณเนตตาหะปัญจสีลานิยาจามะแต่ข้าพเจ้าจะรักษาศีลห้าแต่รักษาเป็นข้อข้อเออถ้าหากว่ารักษาเป็นข้อข้อได้รักษาแบบไม่เรียบเรียงมันออกไปเออ ไม่เีเรีย บ, ย, บยังไงสิเออขั้นว่าอยากกินเราเออก็ไปกินเราแต่ซีค อ, อยั่งยูหดลงไปเออขั้นวาจะไปขาดสัดเออขาดไปคอนึงแต่ซีคออาทิหน้ากามแม่มุสาสุรา ย, า, ยออายั่งยูหดลงไปเอ่อคล้ายๆกับว่าผู้ชาจะรักษาเป็นคอเขอ่าหดลงไป อ, อ่าวิสูงไปสุงระขนาดท้ายในะเนี่ยเออคือบ่รักษาปัญจปัญจาเป็นวันร่วมกันทั้งหมดขั้นขาดคอหนึ่งคือขาดลดลงไป คือผาผืนหนึ่งเ่ยมันขาดบวนีงก็ขาดขาดเครื่องวันเราไปขาดใช่อะไรเลยวัไปแปลว่าขาดวันไปแต่ว่ามีสูงอีกสูงนี่งขาดเป็นหู้วไปเออมันขาดเป็นหู้หูเออที่วันรักษาสีนหาเนี่ยหลงพอรักษาแบบเรียบงแต่ลุงพ่อนีนว่าน่าจะรักษาทั้งที่หักคอนึี่ยนาจะรักษาจบทั้งหากคอเนี่ยวุลิชุดวุริบูญไปเลยเย่อปัญจสีลานิยาจามะ เพราะนันนี่พวกเข้าเข้า ใ, ใจเนอะเป็นอย่างอัรลัษณะสิทธิ์ที่บอกบวกคือกันลองนึกเอาว่าปัญจฉีล่าหนึง่งวิสูงไปสุงเนยมีความหมายว่าจังไรนี่หละคือความหมายก็คือวิสูงวิสูงเนสูงรักษาเป็นขอขอน่รักษาขอได้ขาดอ่าก็ขอดังก็ขาดไปยังดีอีกสี่อเนี่ยขั้นขาดไปสองขอยังเหลืออยู่สามคอไปเนรักษาสิมวิสุงสูงหมด แล้วเมื่อนี้เป็นมือสําคัญเป็นวันสําคัญทังทางพุทธศาสนาคือเป็นวันแปดคาแรมแปดคาเดือนเจ็ดแต่ตามไม่จริงเนเป็นแรมแปดคาเดือนหกเพราะว่าเมื่อวันพาธิพานมานเป็นวันปิศาขาบุกชาติแต่ปีนี้แปดสองหนก็เลยเป็นเป็นเจ็ดือนเจ็ดวนไปเดือนเจ็ดทั้งที่จะเป็นเดือนหกวันปิสาขาเพราะนั้นเมื่อนี่กันแรมแปดคาก็เป็นเรือนเจ็ เดือนไดกปีไดก็เถอะนะอันนั้นเป็นวันเดือนปีซื่อเป็นเครื่องบอกบองถึงความหมายกันทว่าเฮาก็เลยกาหนดกดเกณฑ์พวกเฮากระบอกว่าวันนั้นเป็นวันพระวันเจ้าวันอาทิตย์เสาร์วันอาทิตย์วันเกิดพ่อแมยปูญาตายาไยเป็นวันสําคัญประสูตตย์สรุปปริณิพานคันเฮาบอมีมือวอมีวันกําหนดเฮากระบอมีวันสําคัญอพอมีสมมุติเกิดมากก็วันสําคัญ แต่วันสําคัญนั่นไปเลยเอ่าขั้นแถวบ่าวัานสําคัญสํามขัอนเฮ็ดดีเป็นดีเฮ็ดชัวเป็นชัววันเอื่นี่เฮ็ดดีบมดเป็นดีเฮ็ดชัวหมเป็นชั่วใช่ไหมก็เป็นป่านนั่นหมดไปคือกันกรับจกมืึงวันพาน้าอะสิเข้าจับไฟห้อนบอ ห, อ ห, อห่ อ, อนะขั้นว่าเอือบอเม่นวันพ้า่ะจับไฟห่อนบอห่อนอันนี้คือกันแ่ะสรุปแล้วก็คือเข้เาเฮ็ดความดีความชัวเนี่ย วได้เลือกวั่นวอดิเลือกเวลาเข้าเหตดมือได้คุณง่ามความดีมือได้เป็นคุณง่ามความดีมือน่ะเข้าเหตุสวมือได้กับเป็นสวมือน่ะเพราะนั้นมือนี้แต่เข้าเป็นอย่างยังเข้าจึงรักษาศีลวั่นแปดคัมันเข้าวอส่งหมดเข้ากับวลั่งจำจาไปเลยว่ามีกฎม่นมีเกณฑ์มันอไปมือได้กับเป็นมือว่าสำคัญทั้งหมดป่านนี้เพราะมันเกลียดภาพไปเด้ กิเลสท้าผ้าไปเมื่อได้ก็บอกสำคัญเมือนังก็บอสั้นขั้เมือนึ่งกบรบอสําคัญก็เลยชีวิตทั้งชีวิตก็เลยหาความสําคัญอะไรในชีวิตของเจ้าของเพราะฉนั้นนักปราดบัณฑิตนักปราดเป็นยัง่าง8คำํำสิผาคำให้วันเป็นวันสําคัญ้นเป็นวันลําลึกถึงเป่า8หมื่นอาบน้ำขั้งนึงงน่งกันไปชำระกายว่าจาให้สะอาดขั้งหนึ่งเพราะฉนั้นเป็นจึงบัญญัติ ให้พวกเขาเป็นวันพระวันศิลเผื่อมาสมาธาสินเอาตอนนี้ไปสมาธาสินเนื้อวดนี้เนอ้อวอกขาซัดวอกขโมยทรัพย์ว่กประพฤติผิดในกรรมวอขี่ตัววอกินเหล่าฮะศิลหาขอศิลของพระพุทธเจ้ามีความหมายเป็นเยืงพระพุทธเจ้าจึงว่าให้ขากันแมนยุคเขาข่าผู้อื่นอผู้อื่นเขามีความทุกข์งไรเขาก็ได้คืดโดนเอาไปเพรเขาข่าเขาได้ แต่เมื่อใดเขาถือว่าขาเห่ากันนั่นแหละขาหมองตบหมองีิขาหมองลบหมองซ่อนอะไรแล้วก็แล้วกันนอ่นลงไปย่านตายนีอันนี้พระพุทธเจ้าพ้นให้เอาหัวใจเขามาใส่ใจเห่าเอาใจเห่าไปใส่ใจเขาจะไปขากันเด้อขาพ่อขาแม่ขาลูกขาเมียขาว่งสาคนาดหยาดของเขาเขาก็เสียใจเขามาขาเห่าก็บเช่นเดียวกันเพราะนั้นยาขากันนี่นี่คือสินขอที่หนึ่ขอที่สอง พวกท่านทั้งหลายสู้เจ้าทั้งหลายยาขโมยกันเนอะขันพวกเจ้าขโมยกันพูนขโมยผู้นีพูนีขโมยพูน์ต่างคนต่างขโมยกันกระหาความสงบร่มเย็นเป็นสุกวัไดหในชุ่มชนในซุสังคมของสู้เจ้าเขโมยพอขโมยแมขโมยลูกเมี่ยลูกล้านของเขาไปเรียกค่าไทยยังไงกระจัดว่าเป็นขโมยกันเดือดร้อนวะขโมยของผู้อื่นเขาแมนยู่แต่เขาว่าขโมยของเขาล่ะเอ เขาเดือดร้อนเพราะนั่นเป็นพวกยาขมุ่ยกันเด้อคอที่สามกาเมสุมิ밋สาจาราเวรมนี่สามีภรรยาลูกหลานของไผ่เขากรักสังวนหัวแหนของเขาถ้าเฮาไปล่วงล้ำเขาไปกระชากหลักถูเขาเอาไปกดขีคมเหงืบั ง, บงคับเขาพ่อเมยพี่น้องของเขาเขาก็เสียใจของเฮาก็เช่นเดียวกันพรานั่นให้เขารบเซึ่งกันละกันได้ให้เขารบซิดกันเด้อเพราะ ต่างคนกัต่างมี่ลูกมีเมียมี่พอมีแม่มี่ป้องสาขนายาติให้เขาหลบซิดสิ่งกันและกันอันนี้สินขอที่สามขอที่สี่อยากขี่ตัวกันเอออยากขี่ตัวกันไปใส่มิแต่ขี่ตัวกันเอตัวหนาตัวลังเอตัวใสตัวขวาหาความสัตว์ความจริงบ่ได้โลกกันนี่คิดปุ๊งไปใส่ขี่ตัวไปเลยเจ้าไปทั้งเขา้าเขาหลงทางมัา่จากนี้ไปเออ นคมคําสอยไปทั้งไรอะโอ้ยมแม่เป็เจ้าว่าพิษแล้วพุ่นอ่ะกับไปทุ่นนีคมค้าสอยทังพุ่นเ่ยเออให้กับหลังไปทั้งน้องสูงก่าน่ยไปเออวันแ้กหัวเราแฮ่เห็นว่าเนี่ยกูขี่ตัวมันวันแรกลับไปพุ่นล่ะเป็นองสูงพ่าน่อมืองไปไปหอดพนายนี่คมคํามอยยส่พูดังกี่ตัวต่ออกว่่ไปพุ่นอ่ะวันในเทาที่ให้เท่ไหรคนกี่ตัวเต็มบ้านเต็มเมืองมันดีบอก เออมันโบดีทั้งนั้นแหะพราะนั่นพราะพุทธเจ้าจึงว่ามีความสัตย์ความจริงต่อกันเออเป็นสิริเป็นมงคลร่วมเย็นเป็นซกอยากขี่ตัวกันอันนี้ก็คือศีลขอที่สี่ขอที่หาสุราเมรยะอย่าไปกินเหล่าเน้อขั้นกินเหล่าเมาหลือกินเหลนมันขาดจิตติได้ขั้นกินน้ำกินเปปซี่โคลาต์กินน้ำธรรมาดายชื่นๆเนี่ยมันว่เมาขั้นกินเหล่าเข้าไปมันเมาพอเมาเข้าไปขาดจิติพอขาดจิตติลรือ เฮ็ดคว่างสวนเนี้ยทุกอย่างเด้ยขาพ่อขาแม่ก็ได้เน อ, อ่าถึงกับขา ก, ากัาดนดาเผู้น่งดาวผู้นี้ก็ได้เนีอเอ่จากนั้นก็นขับรถชนพู้หนชนพู้นีนน้ก็ได้ต๊ะทนันก็ได้พู่น่ะจนเร้าเมาเหล่าผู้น่ะยังคอยสำลึกได้โอ้ตายเานี่สร้างกิน เ, เ, เหล่านะเมาเฮ็ดจังไรไผบอกใหนะ้กินเน่ะกิน เ, เหล่ากับเมาตัวอ่า้นบกินชีเมาจังไรข้าน่กินแล้วมันขาดสติมันก็เป็นทั้งสั้นแะ พราะนั้นพระพุทธเจ้าควรว่าอย่าไปกินเหล่าเน้อกันกินเหล่ามันเมามันขาดสติมันขาดสติแต่ท้ามันฟังซวเสียหายได้ทุกอย่างขาพ่อคาแม่ก็ะไรคาลูกคาเมียกรดไรตาผู้ถึงตาผู้ถึงเสียงงสารขณะยาติพ่อเหล่าพ่อเหล่าเพราะสุร่าแม่ไล่นี่ยเหล่ายาเนี่ยเสียหายมามากตอมากแล้วเพราะนั้นอยากินเหล่าให้พวกท่านทั้งหลายเป็นอุบาสกอุบาสิกานับถือพระพุทธเจ้าพระท่านพระสงฆ์ ไอ้มีสินหาเน้อสีเลนะสุ ข, ขติงยันติผู้จะมีความสุขได้พราอสินสีเลนะพ่กระสัมปธาผู้ทีจะมีพ่อคะสมวัติได้พอสินการค้ น, คนกินเหลาคราบาับวันเน้อเม่าจะตลอดเวลาจะมีพ่คะได้เจ้าไหนเป็นบ่ละอสีเลนะนี่พูติงยันติเน้อผู้จะไปสู่นิพพานได้พราะสินพนั้นพัวเข้าอย่าไปม่องขามเน้อดึงสินเป็นบ่ เป็นปุลแกนดอกสําคัญที่จะไขเขาสู้ความสุขความเจริญเขาสู้มรรคผลนิพพานไปนะเพราะนั้นพวกเขา้าถึงจะรักษาสินในชั่วประเดียวประดา้าก็คือสินของพระพุทธเจ้าเป็นบุญเป็นกุศลทางนั้นลหละนะขั้นเข้าเฮ็ดความสวขึ้นกันเฮ็ดความสัวน้อยนึงก็คือความสวัวหัวหน้าไปเนี่ยว่นนี้หัวหน้าไป อ, อคั้นเฮ็ดความดีน้อยนึงก็คือดีไปนะเพระนั้นให้พวกเขา้าสั่งแต่คุณงามความดี อ่ะตอนนี้ไปหลวงพ่อจะเป็นผู้ภาณัมสมถท่านสินนะบ่เ น, นี้ยนะนะโมตัสสะปะกวาตูอรหะตูตสัมมาสัมพุทธะเออผู้ที่รักษาจะรักษาสินอุโบสถก็รักษาไปเลยเนี้ยดีละเพิ่มเติมเข้าไปกันว่าวูฒรักษาสินหาไดกรักษาสินหาการภาวุรักษาสินห า, นน า, นหาคือ ส, สมาท่านในจิตในใจเออผู้ขามันนี้เป็นวันพระผู้ข่าจะรักษาสินอุโบสถรักษาศินแปด บอกินข่าแรงบอฟัง้งหลองร่ำถําเพลงบอทัดท่งดอกใหม่คลองหอมบอกรูปลรูปลายด้วยดอกใหม่คลองหอมบอนอนทีนอนอันใหญ่และยัดนุ่นและสาลีอันนี้ก็คือศินแปะเพะนั้นอยู่ในคิดในใจของผู้ใดของผู้นั้นหละเนอรักษาสินแต่เมื่อนี่ลงพอให้เพ่งสินหาแต่ในคิดในใจของผู้ที่จะรักษาสินของผู้สุดก็รักษาสินใด สี่เลยนะนี่ผู้ติันติตัตมาสี่ลังวิสสทายอโอเมืนน่อในซาล่าหน่อยเขาเต็มพอดีเลทั้งสองปีขางไว้ซาลา่ากุ้งวาสลัดเน่ยวะ <c oughs> เอาตอนนี้ไปเดี๋ยวหลวงพ่อจะให้พอนนะ <c oughs> บัด น, นี้เนอะก่อนให้พอนเดี๋ยวทํางความเขอใจกล่าวยังให้ศรัทธาญาติง่ม ให้ได้ฟังเพรานั่นๆวกครองจะได้มาพบมาเจอกันอต่หลวงพ่อมาเข้านี่แต่ว่างานของหลวงปู่สวงยะโสท่นหลวงปู่สวงเนี่ยเคยอยู่น้ากันปนเคยมาอยูกับหลวงปู่หลาผู้เจ้าก่อเนี่ยคูบาสวงหลวงพ่อเอื่นคูบาสวงสมัยนั้นพอหลวงพ่อเป็นเน่ยหน่อยเนียเป็นเน่ยอายุนี่สิบสามสิบสี่ปีคูบาสวงพันก็มากรับหลวงปู่หลา สมัยนันเอิญลงปูหลานเอิญูบาห์รือเป่าเป็นเอิญนะเนี่ยพราะลุงปูหลากับชิปเอสพันสามชิปาพันษามหนึ่งเด้พันสามหลายเด้เพิ่งมาอยู่พูดจากก่อนเนี่ยชิปเอสพันษามไปหึงไปพันสายังหน่อยอยู่ถืาเกันกับผู้าศสะเท่านี่เดียวนึ่งชิเอพันสามนไปเอีมาอยู่เหนวเาปลงปูหลากันนั่นแหละเปิกัยูน่ะเปิกับยูดำลงคงมาตลอดไปหน่งไปจนเพิ่งอายุ มรณะภาพของเพลินกับอายุเท่าไรเจ็ดสิบเกือบแปดสิบเนี่ยหลวงปูหลาเนะ่ยง้หลวงปูสวงก็เคยมาอยู่กับหลวงปูหลาหลวงพ่อเคยอยู่ลงเพลินเปิดข้าวนี้เขาก็มิม้วนวันถ้ำบุญครบพรอบแปดสิบปีของหลวงปูหวงบาทเนี่ยเพลินอายุแปดสิบหลวงพ่อกสิบหกเขาว่าอะไรดีแต่เป็นแน่นหน่อยลงไปเป็นหลวงปูหลวงตาเกินมาก คือกันลงไปปานปีที่แล้วนี่อ่าอ่าปีที่แล้วนี่ลงปูพอะยูเออาลงปูลงพอเพ่นัยลงพอม้ามีม่นลงพอปรได้ไปปีที่แล้วเนี่ยปีนี้่พนิม่นอีกคนออกไปลงพอพนิมนสองเทืออีกอย่างหนึ่งกับคู่บ่าจานเคยอยู่น้ำกันดูจากมักคุนกันลงพอก็ได้มาปีนี้พนิมไห้ลงพอเป็นองค์แสดงถ้ำเลยมึงแร้งเลยล่ะ คนไห้หลวงพ่อเทศคนไปหลวงพ่อเอาเทศกับเทศว่าเพราะว่างานของหลวงปูพ่พวงเนี่ยปีไส้ของเพินเนี่หลวงพ่อก็ด้ไปเทศเนี่ยงานในข้านี่นหลวงปูส่สวงนี่นห้หลวงพ่อไปเทศหลวงพอ่อเออหลับหับมแล้นี่ยหลวงพ่อจิดไปเทศพอได้จะไปก็ไปเนี่ยพอวานกะทุ่มหนึ่งสฉดมนแล้วแล้วคนก็จะแสดงถ้ำนะอันนี้ก็คือหลวงพ่อมากข้าวนี่ พ่อมากหรือมาถือโอกาสมากาบหลวงปู่จามที่เป็นหลวงอาเหลวงอาในหลวงอาจามหลวงพอ่เอเลยน้องชายพ่อเราไปหลวงปู่จามเลยมาเหลวอว่านี่ยต่อถวายผาเพิินผาหนุ่มเพลินตัวมากเพลินที่ใส่ผ้าไหมบางๆหลวงพอ่อเลยถวายผ้าสวงแล้วก็ผาอังสะเพลินมลวงว่านเลยตั้งแต่งานของคุณแม่ชีแก้วในวันที่ยี่สบเจ็ดยสิบแปดมีหน้าก็ยังกว่ท่านเคยมายิบ แล้วก็เมษา พ, าพุทธสภาสองเหรียญเลยเนีอเพราะนั้นถือโอกาสมา ก, กาบหลวงอาแล้วก็พร้อมกันกับว่างานของหลวงปู่สวงอย่างที่บานนั่นแหละหลัเมื่อว่านี่เดี๋ยว่าเนี่ยมไม่ถือโอกาสมากเลยคือยงพีเมื่อข้าวทีแล้ววันเกิดหลวงพอยงพีเอ่อสาวพีล้านพีหน่องกับวันใดไปเออข้าวนี่ก็เลยมากบางที่อาจจะบันใดไปหวยใต้เองหลวงพอก็ได้ถือโอกาสเพราะยังเว่นยุบ ก็เลนังรถมา ก, กับกู่บ้าเฉลิมเราไปเป็นพี่ชายกู้บาฉลาดเไปอย่างนางรถมาก็แล้วมาเยี่ยมง่งพีตาวตาวเออขอทม่อนทนายานาการ่าฉันทําคกสะพุงว่าไงกับกู่บาฉลาดคูบาฉลาดเนี่คือลูกพี่ชายไงลูกที่ตานเาไปแล้วก็กูบา้าองค์นึงอีกแลนเะพิ่งวดอยู่พูดเจกกูกอ น, นะครับสลุกแล้วลูกลูกพี่ชายไงยุนี่สามองค์เ คุ้บาฉลาดคุบงลาเฉลิมคุบงาวิละเออองเป็นเนว่พอ่อนั่งตรงสูงสามที่น้องออกันเลยปลูกพี่ชายไงแตลงพ่อหรือโอยนอกจากไปสันอ่ะสันกกทําก๊กตะพุ่งเหนีวแนกว่า ว, ว่าหาสันอะไรห่อเลยไม่ควักกับปอบซอยค่เธอรนียนวกว่า ว, <laughs> ว่าเข้าก่อน <laughs> เข้าก่อนจะเสียงเงินค่าสะพานวัดไปเก้าแสนกว่ า, วาที่สะพาน สพานหาาออักข่าวหอยกเบียดมาลไปมาเข้านี่ไปขอมาเนี่ยว่าเห็ดสาราลักนี่อีกหมุกมาหมกไปขออีกกหอนกับโย่เพื่อน่ะลุงพอไก่ามาแสนหาเมื่อ ก, กี้นี่เด้เดออือนที่แล้วแสนหานสาราลังนี่เอาลงไปเบิงบ่งๆคนหม่าเข้าเนี่เขาจะเสียยังอีกวานอ๋อวัดนี้นน <laughs> เลย <laughs> เขาก็เลยบวจากม่าไ ก, ก่คนนอ้นไปเออพงเขา ห้องหูอัจใจจะเป็ห้องมา ก, มากๆจะติดเสียงกันหมดไปพรามองได้เสีย ด, ด, สดเสียในหองห้องบอไไุ๋ยเรื่มองได้ห้องสิ่ใ้เขาจะค่ อ, คอยๆไปหดกไปเอปเอวันนี้ห้าก็เลเยกแตมาเนี่แหละนี่หละเบิ่งนอกระนาศธาญญโ ย, ยา ง, งไปนแต่วันทีอยางใดก็มีประโยชน์กุบะเช่อกวบฉลาดมาอยู่นี่เบิ่งเบิ่งเลยก็ น, น้ำสมบูรณ์เนี่ยน้ำาลยสมบูรณ์สมบูรณมากวาไปทั้งแรงทั้งฝนน้ำไหลมาจากเขา หลายทานทานในตลอดเลยวันเราไปถึงเขาที่แห่งปัน้นไอ้หม่องนี้ก็ยังสมบูรณ์นาวยังสมบูรณ์วันไ ป, ไปอ่แล้วก็เป็นหมอหมอโยติการพราวนาแต่ว่าย่างหน่อยกันยุกองค์เดียว <c oughs> อืมเนี่ยยูกองค์เดียวยูให้ตั้งใจพวนาเนีนะ่ยผมก็ต้องสางไอ้ยังหลายลนะ็อกรงพอว่าไอ้เรื่องวัตถนูนค่อยเป็นค่อยไปดอกคันว่าเขายูเป็นพึกแผ่นเน่ยนน า, นานขึ้นมาแล้ว สัตยานิยมพุทธไมาเห็นพุทธไม่เห็นต่อเติมมองหันต่อเติมมองนี่เดี๋ยวมันก็เป็นไปได้เองคณาว่าเฮากระเซือกระสนด้านวัตถุมากเกินไปทางด้านคิดใจมันก็ลอยหลอมันเอาไปคิดใจลอยหลอ่อมิถะคิดสรัง่งว่าสั่งคิดสั่งใจมิตะสั่งวัตถุเอาไปมากคิดใจหาลักหาโคตรหาเกณยร์อะไรใจห่อนไปกันใจห่อนไปมันอยู่ยากเลยอยู่ในาศาสนายากเลยมันใจห่อน ขั้นว่าใจเย็นเออ่ยพวใจเย็นนหะบ้านเชิงวัตถุทั้งหลายทั้งปวงมันไหลเข้ามาทะลักเข้ามาไปเบิบ้งคอยเฮ็ดข้คนควนเฮ็ดยังไรข้นเฮ็ดยังไรบ้านเนี่ยังค่อยเบิ้งเงินลงไปเอายังลงพอนี่ยบวเป็นกี่คุยเนี่ยการบอลลงพอสี่สางลงพอสี่สางได้บอลลงไปแต่ลงพอเนี่ยเอาละขนาดเลยพอเป็นพ่อไปสําหรับพระเน้นยูได้เฮ็ดยังคื อ, คอหึางตอ่อหึางแตนลงไปหึางตอ่อหึางแตนแค่ออยัง ถ้ามีลูกมีเต่ามากมันก็โตออกออหันออกไปโตหัางออกเอกขั้น ว, ว่าปีใดมันบ่ ม, มีลูกมีเต่ามันก็วัยหันก้อนหันออกไปขั้นปีใดคนมากขยายมาอีกก็โตออกเอกเลลักษณะนั้นแหะในวัดของหลงพอ่อหลวงพ่อมันเป็นสีสางเ พ, พลอพลาขึ้นบานลองรับขู่ขนวอแมนหันไปบ่เอาจังสันหันไปค่อยเป็นคอยไปค่อยสร้างทางด้านวัตถุแต่ว่าทางด้านคิดใจเนี่พยายามแนะนําสั่งสอนพระเน้น หยาดโยมอย่าตั้งอยู่ในความประมาทเออออกตนญยาดโยมเน้อให้าสางบุญสางกุศลเน้อเกิดมาทั้งที่ชีวิตเนี่ยตายแท้แท้เนอตายแล้วบศูนย์อีกต่างหากตายแล้วเกิดเอกน้อเพราะพระโพธเจ้าพ่อแม่คู่บ่ายจานพ้นพิสูจน์แล้วพวกเข้าอยากพิสูจน์เนอก็รให้นั่งพระวนาขันนั่งพระวนาคิดใจสงบแล้วคิดใจเป็นหนึ่งแล้วเข้าจะหู้จักด้วยตนเอง ว่าร่างกายนี่กับคิดใจนี่คนละอันกันเอร่างกายนี่แตกออตายสลายซูดินหนาบล่มไฟแน่นอนแต่ส่วนคิดใจนั่นจะต้องไปหาเกิดปฏิสนธิในภพภูมิต่างๆออพอให้นั่นให้ถ้าให้คิดใจภาวนาให้คิดใจเป็นบุญเป็นกุศลให้คิดใจมิรักมีฐานออย่าไปมุ่งหวังทั้งโลกมากเกินไป โลกนี่สางมากไปสางตัดตึกล้านบานช่องเห็นพวกเฮ้าเห็นว่าเขาสางมากกรรกรุกดาหารของเฮ้าตึกตั้งนันตึกังนีเถาแก่นั้นเถาแก่นี้ไปใซมมดละ่ะเถาแก่มนไปไซม์มดตายมดแล้วเนี่ยเฮ้าสิตวาตายบ่บบัติเฮ้าสางขึ้นมากวัดขึ้นมากนะเฮ้าสิตวาตายปอตายอยู่แต่ว่าได้วัตถุแต่ว่าขันได้วัตถุบัติในิดใจของเฮ้า วอดใดสำเร็จหมักวอดใดสำเร็จผลมิตรหวงหาอะไรมิตรมกมุ่นในการกรอสังตายตายไปเลยอาจจะเป็นเปรตใครเนีอยเป็นเปรตเนี่ยคู่เป็นเปรตพระเป็นเปรตก็มีคือกันเลยนี่เพราะนั้นมาฝอวัดฝอว่าเลยสิมันบอดแน่วเพราะนั้นถึงสร้างบุญสร้างกุศลให้กิจให้ใจสร้างทั้งใจพผอมสร้างวัตถุะเท่าทีมีอย่าให้มันเดือดมันรอดพ่อเป็นพ่อไปกัเอ้าอยู่ไปพ่อวนาไปมันมีมากเหตุไป แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคันมีความจําเป็นหลวงพ่ อ, อซอยูบวมนบเมนบวกขึ้ซอยเอ่ทั้งซอยทั้งหายทั้งจมทั้งดาทั้งบานเอวะทั้งหาพอ่อของเราไปเออพราะอะไรเพราะหลวงพ่อสอนคนเลยหลวงพ่อสอนผ่าไดยเนี่ยบวมเลเออเมนสินเหล่งเ อ, อี่ยตนใหม่เึอะมากเจะเอาปุ๋ยบอกขี่มัอาขี่ไก่ทมหากของเหงา่าเขาเอาไปว่าหากักเราตายทำอะเราไปเออเรียกว่าเป็นตนเป็นล่องเพราะนั้นหลวงพ่อจะต้อง บอกเด็อใส่พกปนได้ใส่ปุ๋ยพกปนได้รักษาขนาดได้เอออย่าไปใส่หลายเด้อใส่หลายมันมันเน่าดีด้ถมทางด้านวัตถุเขาว่าม่นเนวดีคือกันต้นไม่ตายหมดออกไปขั้นหวาวาววใส่น้ำใส่ปุ๋ ย, ยเลยต้นไม่กระหีเห่เอาแหงอับเฉาหมดออกไปนี่แหละอันนี้คือ ก, การดูแลพระพุทธศาสนาดูแลพระดูแลเน่นของหลวงพ่อหลวงพ่อจะให้รักษาจัง้งที่ทั้งหาทั้งหายผอมทั้งสอนพผอมหมดไป เออแต่บางคนก็นจนกว่จาจะได้คนเราไปเอียแต่หลวงพ่อก็วบบายยังพอหลวงพ่อต้องสอนซะก่อนเนี่ยพอหลวงพองอกก่อได้มากกับได้มากแบบนั้นเทียกันอย่าเลื่มตัวนะที่ด้านวัตถุที่ได้มากเงิ่นข้ามรัพย์สมบัติเนี่ยของสัท่างาติโยมเนี่ยเขาหามากเนี่ยเขาหายมากโ ย, ยกใส่หัวสะ ก, กอนี้เนี่ยโยกแล้วยกอีกอธิษฐานแล้วอธิษฐานอีกเนี่ยจบแล้วจบอีกเอีอยากจะได้บุญบูชาบไว้ในพระพุทธศาสนาเพราะนันเฮาได้เงิน ชัตถายาดโยมมาแลยห้องถิใส่เนี่ออกนอกหลูนอกข้างขี่รถแปลนไต่แรลนเนื้อเน่ยใส่ลุยช่วยแฉกมันวอแมนเนะมันต้องคิดทีไปใส่ต้องมีประโยชน์คดให้ดีะก้อนยังคอยไปมีประโยชน์อย่างที่ไปเนี่ยเนี่ย่ใส่เงือนคือของเขาไปนี่สิ่งโมมันต้องคิดะก้อนยังคอยเยยังคอยใส่จังคอยใจ นขั้นวิคิดให้ดีแล้วจังสั่ น, นั่นแะเป็นผู้อบครอบนะพระพุทธศาสนาก็จ ะ, จะเลื่อนลุงเรื่องธรรมบาเข้าวาิคิดวออันวอไรเนี่ยเขาดูถูกเหยียดยามหู้ยบังนกคูบาเลยได้เงินมาแล้วใส่ลุยชุยแสบผู้อยู่ไก่สิทธิน์นกเอกกรใส่เงินวอเป็ น, เ ป, นเป็นตายเสียได้เงินจังถึงค่มก็ออกไปเลยเรื่อยๆเดี๋ยพ้นใ้ดก่อนบ อ, บอเป็นผลดีต่อพระพุทธศาสนายังลงพอวอกกับ วัดงานของวัดหินมักเป่งเลหลวงพอ่อหลวเขา น, นิม่อนหลวงพ่อไป็เหตุงานของปุ่แม่ชี้หน่อยพระมันต่งหลายลอยได้เกือบเป็นพันคนนะงานย่อมกว่าเป็นหมืน 20, 20, ่นสองหมื่นคนไปงานย่อมมากคนไปต่อปู่เ่าอนุแปดยิ่งกว่าเป็นชิดเขาแก่ของหลวงปู่เทศหลวงพอ่อเขาบอกเออพระเนี่ยนองลุงทั้งหลายเนอปวดมาในพระพุทธศาสนาอายุในกรอบของรักประทับงีิน اي อย่าออกลูกนอก ออกนอกหลูหนอกท่างเน้อนี่เมบเกีเนี่ยพระอำเภอสุวรรณคูหาเนี่ยหลวลงพ่อได้ยินหลวงพ่อก็บ่าสบายใจเอ่ขายยาบาขายยาหมาจนตำรวจเขาจับได้ทั้งวัดแล้วเฮ็ดจเจงเฮ็ดเจงสัน้นขันวับปู้ยเฮ็ดเจงสัน้นมันเสียวงการพระพุทธศาสนาเด้เนี่ยพระขอพระง้อเนีที่มาบวชเน่พะพ่อซึกออกไปแล้วเขาโมอหูหจักเลย แม่น่ายใดน่าใ ด, ดเขากระหมูหุ่นจักแต่ว่าพระอยู่เขตอำเภอสุวรรณภูหาเสียหายคนในเขตอำเภอสุวรรณภูหาช้ำอกช้ำใจเพราะเหตุใดเพราะว่าพระปฏิบัติตนวันนี่ยคนที่ซึกออกไปแล้วพระที่ม่เชือกไปทํำไรไปล่ะเสียหายไปล่ะ ว, ว่ามีอย่างหุ่นจักวนว่ามีพลใงหุ่นจับวนออกไปมัดไปเลยเด้แต่ว่าความเสียหายน่ยอยู่ในพพุทธศาสนาเพราะนั่นพวกเข้ายา ทำารพวกพุทธศาสนาโดยบวเจเตตนาอย่าไปทํำเนอ้อถ้าท้ำมันมันแหลมมันบอดีเนี่ยถำให้ผู้อืน่นพุทธบริษัท ส, สีอุบาสกอุบาสิกาภิกษุสามเณรเนีดูถูกกันใดเนี่ยพพุทธเจ้าพณนบอกว่าเอศาสนาของตถาคตเนี่ยจะอยู่ได้นานเพราะพุทธบริษัท ส, สี่เอี่จะจ ะ, จะดำรงสงว์ ศาสนาไปได้หาพัน 5, ปีอเบิกกว่านั้นเลยเพราะพุทธบริษัทสการโูจิธทถมไร่ศาสนาให้สั่นลงก็คือพุทธบริษัทสีนะพุทธบริษัทสีนี่แหละจะเป็นผูทำไร่พระพุทธศาสนาเป็นอันดับแรกคือคือเฮบุญนีเนี่แหละกเฮบุญก็บเหลืงสบนับถือบเลือสก็น่ะพุทธศาสนาของพระพระพุทธเจ้าพนว่าธรรมและวินยัยธรรมและวินยัยยังมีอยู่ตราบใด ศาสนาของตถาคตก็ยังอยู่ตราบนั้นนะ เ, เป็นว่าคือกตพระธรรมวินัยยังมีอยู่ตราใดเพราะพุทธศาสนาท่ามข้าสังสอนของพระพุทธเจ้าก็ยังอยู่ตราบนั้นในพระพุทธเจ้าเป็นว่าไว้พรเหตุใดเ น, นนนน เ, นเนี่ท่ามข้าสอนศีลศีลศีลเลวินัยคือภิกษุปกผมเปนหมดพ่อ ผ, ผ่าเหลืง้งเนีก็บยุวัด ปฏิบัติศีลหอบ่มีลูกบ่มีเมียบ่ได้ทํามาค้าขายอยู่ในสีในถ้ำพออยู่ในกฎพระธรรมไม่ไงเลยศาสนาของพระพุทธเจ้าก็ยั่งยูลงไปคานวาพระบาอยู่ในระเบียบไินไงหรือเปาเนี่ยพระไหวผมยาวสะเออพระนุ่งกางเกงสะเออพระมีลูกมีเมียกับเขาสักพระทํามะค้าขายสักแบบไทยบ้านแล้วพทธศาสนาจีอยู่ใดกันเลยก็มดเลสิเนี่ยพระพุทธเจ้าเป็นหม่อแม่เลย อศิลและวินัยยังมีอยู่ตราบใดศาสนาของตถาคตก็ยังอยู่ตราบนั้นพระพุทธเจ้าพันว่ า, เ, าเมื่อเราผ่านไปแล้วเมื่อเราปรินิพานไปแล้วเมื่อเราตายไปแล้วธรรมและวินัยนั่นแลจะเป็นศาสดาของพวกท่านทั้งหลายะขันหัวพระในยุคนี้สมัยนีย้ยึดพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องเ ป, เ, ป เ, ปเป็นเพื่องดําเลิศมากไปนี่แหละ ถ้าจะว่าเปรียบเทียบกับประเทศไทยบ้างสมมุติว่าประเทศไทยขั้นจะว่าเปรียบเทียบว่าถ้ากฎหมายบ้านเมืองของประเทศประเทศไทยของเราถ้าประเทศไทยของเรายังมีกฎหมายบ้านเมืองแข็งแรงคนทั้งหลายเคารพในกฎหมายบ้านเมืองประเทศไทยชาติไทยก็ยังอยู่ตราบนั้นถ้าว่าประเทศชาติบ้านเมืองชาติไทยไม่เคารพกฎหมาย กฎหมายไม่ศักดิ์สิทธิ์กฎหมายไม่มีในประเทศชาติประเทศชาติชาติไทยก็ล่มสลายไปคือกันเพราะอะไรเรื่องกฎเรื่องระเบียบเป็นสิ่งที่จำเป็นสำคัญอย่างยิ่งในการอยู่ด้วยกันศีลและวินยัยนะเพราะนั้นคณะศาติท่าญาติโยมลูกหลาน น, ะนี่แหละหลวงพ่อได้เตือนพระเตือนสงของหลวงพ่อคือกันอายุในรักประทับวินยัยอย่าออกลูออกนอกลูออกทาง ขันวะพระสงฆ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบต้องเป็นเนื้อหน้าบุญเลยผูกเข้ามาทําบุญทําท่านเฮะสบายอกสบายใจก็เห็นไดเพราะพระสงฆ์อยู่ในกรอบรักประทับวีไน่เพลินออกนอกกรูนอกท่างเปลินรักษาศีลของเพิรนพ่อวนาของเพิร์นพวกเข้ามาทําบุญทําท่านก็เป็นบุญเป็นกุศลขันวะพระออกนอกกรูนอกท่างเลยบไวยเลยยังของปูสิงท่องว่าหลวงปอชิโนท่องว่าหลวงปอเป็นแน่นอนยังจำามเลกุลเลยหลปูปูิงท่องว่า เอ้ยขันพระเฮ็ดบอดีทำตัวบอดีเออพระเป็นนักเลงพระเออผมมีศีลนนะ่ะคันว่าฮอไปทำบุญก็คือกันไปไปทรงเสริมโจนหาลอยนะเพื่อนคนก็นอธิบายแล้วเพื่อนคอยเป็นอย่างไรอยังว่าทรงเสริมโจนหา่อยขหน่อยอ้าวขันพระเฮ็ดบอดีทำไรพระพุทธศาสนาเด้ยตนพระพุทธศาสนาเนีอยขันเฮาไปทรงเสริมเของไปกับ แห่งมีกำลังพระสวัสทั้งหลายแห่งมีกำลังแหงต้นศาสนาให้สั่นเขาอีก่เออมาพิจารณาเบิ้งแม่ความหลวงปูส่สิงท์องเบาหนะ่อยหงพ่อยังออกมาเบายู่เรื่อยๆอันนไปนี่แ่ะผู้ยุ่ในศาสนาเนี่ยยู่พระสงฆ์ของหัวเจา้าให้ยู่ในเกราะของรักพระธรรมวินัยอย่าออกนอกรูนอกทางเนดะ้อแล้วก็พร้อมกันสัทธาญาติโยมทุกขู่ทุกคนอย่าตั้งอยู่ในความประมาท เนี่ยประมาทวาแม่ขึ้กันว่าแม่ปามาทผู้อื่นเนี่ยดูถูกเจลดผู้อื่นวามประมาทแต่ขี้อมฉลาดใจขื้ข้อมนอนใจบเคลื่อนะเจ้าของสีตายวนออกไปเอีอันนี้คือขี้ขประมาทในลักของพุทธศาสนาบเคล่ะเจ้าของสีตายวขั้นว่าสิหาเงินกับหาวเนี่ยนเจ้าของบุกเคว่าระเจ้าของสีตายวนออกไปขั้นกิเอเครียดให้โกดให้ผู้ใดสั่งผู้ใดก็สั่งนีคิดในใจแล้วบ่กเคว่าะเจ้าของสีตายวนออกไปเอ อันนี้แหละพนวาตัง้งในความประมาทพนว่าสร้างพนใดก็จะไปหาสร้างหลายต่างคนต่างมาเห็นกันต่างคนกับต่างเอาไปเผาไฟถีบมัดคู่คนนั่นนี่พวกเข้านางอยู่ร่วมกันว่ามีผพนใดที่อยู่ส่วนฝาดินสไลได์ใดเชียงใดที่เป็นคุณงามความดีก็ควรจะหันคุณงามความดีหากันปรึกษาปารลบกันเอพี่ใดสอ ง, น, องห น, หน้องใดหนงแล้วก็พร้อมกันกระ บ, บอกเพ่นทานนน่านศีลปวนาหาหนทางของเจ้าของตายลำบาศูนย์อย่างที่หลงพ่อได้บอกไวนะ้น่ะ วิน ญ, ญาณออกจากร่างวศูนเนี่ย่านผู้ไดเฮ็ดชวนนั่นและผู้ไดเฮ็ดดีแหมกัมเพิ่นเป็นผูเบงอยู่แล้ยงพะบานเพิ่นเบงอยู่แล้ยขั้นผู้ไดเฮ็ดชวนแหมเฮ็ดชวนวะขรรพอเมออวะขรรพวายุวดคุนขรรพเอหวายุวดคุณนวุฒิวะขบบรรพพระสงฆ์องค์เขาเจ้าเออเป็นผูเป็นมิจฉาทิฏิวเฤืษอวาบุญวาบาปนี่นรกสวรรค์วะนี่ตายแล้วศูน พญายมพบานเขาก็จดใส้นหนังมาเอาไปหล่นดำลงไปอคตรนี่มันซัวน่ะอขั้นโปรได้สางคุณง่ า, งพามพ่ออ่อดีโคตรก็จดใส่แผ่นท่องข้ามไหวมันเอไ ป, ไปบาดถ้าตายไปแล้วบาดนี่ยมพบานเขาก็เปิดบัญชีว่างน่ะเจ้าไปทำมากฆ่าขาย เ, าเกิดในชาตินี้เจ้าจะเฮ็ดเอียงไปได้ไปกี่ตัวพญายมอะไรได้กี่ตัวไดเต็งแต่พวกเลยนักกฎหมายตาถั่วตัวกันได้ยุก แต่ตัวพญายมตัววไรกันออไปพญายมเปิดบัญชีให้บังโหลดทางไปตั้งแต่เจ้าเกิดมาเจ้าคิดจังไรเจ้าคิดซัวจังไรเจ้าทําซัวจังไรเจ้าพูดซัวจังไรเพิ่นจะ๋วหัจักบดกัดนไปเพราะนั้นขั้นขอผู้ายสางคุณงามความดีเพิ่นก็เปิดบัญชีให้บังโหลดเอาเจ้าต้องได้รับร่างวัน่นเพราะเจ้าทําคุณงามความดีไปสู่สวรรค์คือการครับในชาตินี้แล้วขั้นพลายเฮ็ดซัวบด แมนบอละ่ะเหตุยังมีแต่ส่วไม่แต่ตอดเล็กตอดหน่อยขโมออ้ยผู้หนึน่งขโมออ้ยผู้หนึ่งด่าผู้นั้นด่าผู้หนี่งอีกสักมือนเรื่องเดียวหน่อยไปเขาถิจับไปไว้ในคุกนะ่ะพวกนี้วันหอยไปพวกเหตุส่วนเนี่ยเพราะไรเพราะมันทำส่วเนี่ยคิดส่วนพูดส่วทนทำส่วก็ต้องไปขังไว้ในคุกอันนี้แหละคือนรกในเมือกมนุษย์วันหน่อยขั้นโพได้คิดดีพูดดีทำดีทําแต่สิ่งที่ดีเขาก็ออกเข่าไปเออมีแต่ความจะิล่นลุงเรื่อง คนไห้ก็มีตะหยกหย่องจระเซินเชิดช่๊อูบชาไปไสไพก็จยากเป็นผีเป็นหน่องเป็นวงสาขนาญาินำเพราะเหตุใดเพราะว่าผู้นั้นเขาเป็นคนดีไปอยู่ไส็อบอุ่นไม่มีถึกไปที่ไห้เกิดแนะนําสั่งสอนบอกก้าวจากนั้นก็ใหทรัพย์สมบัติไปใส่กับาอลัดเอาเปรียบผู้อื่นเขาอันนี้คือคนดีในชุ่มชนสังคม เข้าต้องการแบบไรบางเนี่ยเข้าเลือกเอาวนออกไปเนี่ยเข้าจะเป็นคนชัวเขาจะเป็นคนดีเอี่ยขันหัวดีหน่อยดีมากมันก็มีคือกันวนออกไปเนี่ถึงจังไรก็ให้เจ้าของดีวนออกไปอย่าให้ผู้อื่นนักใหญ่ก็เข้าให้เข้าเป็นคนดีเนีรักษาสินภาวนาจากนั้นก็ต่างคนต่างไปกันละวันเนี่ยวันท้าเือกสุดท้ายหายใจเหอกสุดท้ายคนน่ะเนี่ยไผ่ขาดทุนไผ่ใดกําไรลวันเลยอนี่ยไผ่ใดไผ่ไผ่ใดกำไลไผ่ขาดทุนมือนั่นล่ะหูจักกัน พรัขอให้พวกเขานะ่ะสั่งสมขน ง, งมความดีไว้ตายตายแท้ๆเลย อ, อันนี้บเนเอาความตายมาคูกันนไปเอาความจริงมาบอกให้กันฟังนออกไปตายแท้ๆเอาไปโรคพอ่อผู้อโคพ่อก็บเหลืออีกขึ้กันนอไปแต่ว่ารงพอ่งพอคนนี้แนะ่ะเยังว่าชีวิตทั้งชีวิตของหลวงพ่อเนี่ยลูกหลานกระทะเนี่ยโยมคงจะเห็นหลวงพ่อเนี่ยเห็นไหมโยมอาคานั ง, passt, ง, ง, ง, งอย่เอ่ผู้ขาบวจะเป็นเนื้อน่อยนะ อ, อายุสิบ็สองปี ปีสองพันหาร้อยอเป็นเน้นจะพูดจะกอถึงเก้าปีออกจะหันกันไปหาเที่ยวไปอยู่กับคู่บาอายจาหลงปูแหวนลงปูต่างๆจนถึงลงตามหาบัวจากนั้นก็ไปอยู่วัดปานาคําหน่อยอบัวแต่อายุสิบเ็ดสิบสองปีเดือนนี้หกสิบหกปีชีวิตทั้งชีวิตของหลวงพ่อเนี่ยฝากไว้ในพระพุทธศาสนายื่นยาวสักเท่าไหร่กัไป พวกเขาก็คือเบิรงก็แล้วกันลุงพ่ออินในบ่วงขจักบก่กความสุขเป็นยังบ่จะกินเหล่ากินยา เ, เที่ยวสั ม, มเลเทเม่าหาลูกหาเมียกับเขาเลวงพอ่อมูจักเป็นยังจะหาอยู่ในป่าในหลวงพงไผ่แต่ลวงพ่อมาพิจรารณาเบิร์แล้วแมนอยูุ่ความสุขตรงไหนไอ้ความสุขไงแต่ว่าเบิร์ความสุขกนะันนันเป็นความสุขที่จองปลอมมันบ่กเป็นความสุขที่แท้จริงออ้ยังคือความสุขที่แท้จริงค้นคว้าศึกษาเบิรงแล้วเอาตัวคนเดียวดีกว่า อยู่จังซี่ละอยู่เป็นแบบนี้ล่ะรักษาศีลพ่อวนาอทำคุณงามความดีสิ่งไหนที่พ่อจะเกิดประโยชน์ต่อชุช่มชนสังคมขอมือเอาสร้อยไปขันบอมันเช้าช่วงมันมีทันมันบ่มีก็เอารักษาศีลพ่อวนาเบิ้งใจของเจ้าของไปนี่แหละคือการสร้างคุณงามความดีเกิดมาทักพบนียชาตินี่แปลว่าบรรเดเหตุขาทัดทัดชีวิตบรรเดเหตุสิ่งที่มันชัวร์สาเสียหายนี่ยนีแต่ประกอบคุณงามความดี คือว่าจะพ้องสิตายแถวๆกนออไปจ็คสิตายมือใดกันออไปเพราะนั้นหลวงพ่อจึงตั้งอยู่ในความบวชประมาทสรุปแล้วนะหลวงพอ่อจะตั้งอยู่ในความบวชประมาทสังสมคุณงามความดีไปเรื่อยๆกันออกไปเออถึงจุดจบมือใดเมื่อชุดท้ายมือใดก็มือนั่นแล้วกันไปเพราะนั้นขอให้ศรัทธา ญ, ญาติโยมลูกหลานทุกปู่ทุกคนเนะจะว่าเอาหลวงพ่อเป็นตัวอย่างเอาตัวอย่างไดกันออไปเพอาะเหตุใดเพระหลวงพ่อบวชมาแต่เล็กแต่น้อย อีกอย่างหนึ่งก็อย ป, ป่าหลวงพ่งไพ่ต่างหากไปใส่ไม่จะบอกกากรวถ้ายาโดโยมเลยจากนั้นก็เสียสาร ะ, ะ เ, เงินข้ามทัพยสมวัดที่ไรมากแบงใส่แบงคว้าแบงหนาแบงหลักจากนั้นก็ช่วยร่วงพยาบาลเมืวอวาดมือกรดเลยซอยโรงเรียนก็รงเรียนหลงังหลังค่าห ย, ยุก ป, ประสนลงพอเลยนี่แหะเสียพผนมากจากครูราชเว้ยเสียซอยลงพอได้บอกเคนว่าได้เป็นกระหามาก แสนหกแสนหกหมื่นหกพันนี่หายเมื่อวาบอกมื่อวานลังค่าเขายกเงนเอาไปแล้ะก็อีกเมื่อก้อนมานา น, น, านกับรงเลียงไกลๆถนนวมมีหลวงพอ่อเจ็กหน่อยใส่รองเท้าหนังเหยียบขีดตรงมันทันขอถนนด้วยเท่านะปีที่แล้วหลวงพ่อก็หายเซ็นหนึ่งปีนี้เลยให้อีกในเซ็นที่สองมันคือลักษณะถนนตัวยู่ลนะักษณะปีที่แล้วนี่ให้ยขาหนึ่งหมปีนี้ก็เลยอีกขาหนึ่งจะ่กขาหนึ่งกั ประมาณแสนเจ็ดหมื่นแสนเจดมื่นกว่าบาทคนได้เพราะนั่นอ่ะอันนี้ก็คือลงพอตอดเล็กตอดหน่อยขึ้กันจะตุกปัจจัยที่ใดมากแบงสายแบงความแบงหนาแบงหลังบอกเคลื่อนว่าจะคข้องจะเช็ดยังไงล่ะแค่ใบพ่อประมาณต่อไป พ, าพาา่ายภาคหนาเท่าว่าลูกหลานเป็นพระเป็นนิ่งอายุไปก็เอาอายุได้คนละไปวนแบงกัแบงไปคนละ น, นี่แหละะลงแป๊บก็คือลงพอเอง ออยู่ในวุ่นพระพุทธศาสนาจะตุก ป, ปัจจัยที่ได้มากทุกบาททุกสตางค์ถือว่าเป็นของพระพุทธศาสนาว่าแมนของผู้ใดหลวงพ่อเองนี่พี่น้องญาติพี่น้อง เ, เต็มสาวรลาดเองแตงพี่สาวพี่ชายพี่แย่แต่หลวงพ่อมีความจําเป็นหลวงพ่อกรสงเคนูเคราอยู่คันว่ามีข้อจำเป็นบอกเมื่อพี่น้องลูกหลานนะผู้ใดจะเขาร่มพยาบาลมีความจําเป็นกระ บ, บอกมากหลวงพ่อสีซอยแต่หลวงพ่อสีซอยใหย่หางแหยมีบูไใดเด เนี่ยหลงพ่อว่าไห่พอ่อสมบัติของพระพุทธศาสนาบวกเป็นสมบัติของหลวงพ่อพวกเข้าจงได้พวกเขากะหาเองไห่ถ้าว่าพวกหลวงพ่อเนี่ไปเอาสมบัติของพระพุทธศาสนาให้พี่ให้น้องให้ลูกให้หลานจนเกินไปหลวงพ่อเหตุแหงสันบ่ใดได้หลวงพ่อกะยานบาปเพื่อกันนอันนี้หลวงพ่อเขาบอกอะบอกพี่บอกน้องบอกลุงสาคนายาตแต่ก็โยมหลวงพ่อของหลวงพ่อเหมือนโยมหลวงพ่อของหลวงพ่อหลวงพ่อพ้นบอกเหตุแ่งสันไห เนี่นบอเลยเน่ยบวชเขามาในพุทธศาสนาอย่าไปเอาสมบัติของพุทธศาสนาให้ผู้อื่นเนะมันบวเจริญเด้่เนีคนใดออกไปแล้วมันก็บวเจริญหรอกสมบัติของพุทธศาสนาพอก่อนเขาจะทำบุตรท่านๆเขายกหัวยกแะไรยกที่อีกมาตั้งคิดอธิษฐานพนทธเถ้าทีเอาสมบัติอย่างไี้ไปให้ผู้ใดขันบวจําเป็นลีบกควรองหายแ น, ยนนะ่ให้สาธนารณเอือได้สาธารณนันคือล่งลํา่องเรียนล่องพยาบาล ในเมื่อพระสงฆ์อยู่กับวงคณะสัทธาญาติง้องเข า, าหพาพระสงฆ์เขายังหายได้พระสงฆ์ถืสงเคาฆอนุเคราะห์สงเ์ขึอนในท้องบ่ได้อันนั่นแปลว่าพระสงฆ์เห็นแก่ตัวแหละคนลงไปว่าถูกต้องคนลงไปเพราะฉะนั้นพระสงฆ์ก็ต้องสงฆ์ขอสาธารณาชนเพราะสาธารณชนกับท่าหมุญทําท่านกับพระสงฆ์ย่ังซีแ่แหละคนลงไปพึ่งผ้าอาศัยซึ่งกันและกันโลกทั้งโลกก็ร่มเย็นเป็นสชกคนไป เห็นแก่ตัวพอได้ก็เห็นแก่ตัวพระก็เห็นแก่ตัวโยงก็เห็นแก่ตัวบบจักแวงโบจักปัน่นแหมลูกทั้งโลกก็เดือดร้อนพุนไหวคนวางฐหาความสงบลมเย็นเป็นชุกวอรได้เนี่แหละทิ้งยาใดก็อนฉลุลุ่งง่ายๆก็คือให้พวกเฮาอย่ยาตั้งอยู่ในความประมาทให้สร้างสมคุณงามความดีให้เคาหลพ่อเขาหลบแม่เขารลปู่ยาตายง่ายเนี่ยพ่อแม่น่ะเป็นพระหรหันของบุตรของทิดาบุตรธิดาคือบุตรหญิงบุตรชายมันไปให้เขารลไหว ขั้นผลได้ปลามาดพอ่อแม่ถึงจ ะ, จะเจริญรุ่งเรื่องขนาดไหนก็เถอะทั้งด้านวัตถุแต่จิตใจมันเหี่ยวมันดํามันอับมันเฉาเด้มันบ่จะเลิญกันออกไปขั้นเคารพพ่อเคารพแม่แล้วก็พร้อมกันชีวิตกับพยายามทั้งาผนงานความดีไปเรื่อยสหาเงินข้ามทรัพสมบัติไปเรื่อยทั้งพอ่อทั้งแม่ก็เคารพนับถือปฏิบัติเพิ่นไปเรื่อยได้ทั้งทางหนกได้ทั้งทางหน้ได้มดทุกอย่าง ชีวิตทั้งชีวิตของเฮาขลาบลื่นเล้มีความรลมเย็นเป็นสุขอเวลารับตาล่าโลกกันนั่นแหละรับตาล่าโลกโดยความสบายใจพเพราะเฮาเด็ดสั่งคุณง่ามความดีไปแล้วขันาวา่าเฮาเห็ดความชัวไว้นี่ยรับตาละโลกรับตาบรุงเลยมืดตาเห็ดโธโลยอนไปแห่งพ่อเหตใดพอเหดความชัวไปหลายคนไปแห่งพ่อหนันพวกเฮาให้สังสมคุณง่ามความดีไปมา ก, มากาเวลารับตาล่าโลกรับตาโดยความชนิดใจเออถึงเข้า ขาไเจ้าจะต้องไปละข้าวเนี่ยบวอยู่ในโลกหละตายแล้วผายจะอยู่ในโลกผู้ขาจะอยู่ในโลกคนเดียวอย่างสันบวอ่ะมันอยู่บ่ได้หรอกผู้อื่นเขาตายมหมดหเข้าก็ตายขื้นกันกับเขานั่นแหละมันสำนับตาล่าโลกเมอก่อนทีตายกับพุทโธพุทโธในจิตในใจอ่าพอตองคิดพอตองโกรธพอตองเครียดให้ผายทักหมดอ่าปล่อยว่างในจิตในใจทำใจให้สบายๆะลึกถึงคุณงามความดีของเจ้าของและลึกถึงบุญกุศลของเจ้าขอ ง, ของ อแล้วลึถึงพระพุทธเจ้ Susan, พาพระธรรมพระสงฆ์แล้วลึกถึงท่านถึงสินพระวนาของเจ้าของจา Warm ในนะครปล่อยว่างในจิตใจบ๊อยดมันทื่อมันเออซึ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนของเราเนะ้อเกิดมาในโลกต่อไปอีกเกิดมาในโลกเข้าไหนมันก็เป็นเชิงซีละหายใจเชิงซีละกินเขากินน้ำเชิงซีล่ะเออ ถึงจะมีความสุขจะไดก้กินเขากินหนำหาเงินข้ามทรัพย์สุขไปจริงๆเพราะนั่นพระพุทธเจ้าพโนยามาเกิดเตอดีที่สุดคนนี้ไปพระพุทธเจ้าสอนว่าทรัพย์เพอธรรมาติสังขารานาตตาสิง่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนของเราปานนั่นแ่ะเป็นให้พุพวนาเนะพราะนั่นขอให้พวกเข้าทุกข์ทุกคนศรัทธาญาติโยมเน้อสร้างสมคุณงามความดีอย่าตังอยู่ในความประมาทตอนน่อไปรับพรทั้งวันนี้เน้ออุทิศส่วนกุศลเน้อ ที่ส่วนกุศลถึงพ่อแม่ปู่ย่าต า, ายายงุ์สาขาญาติญาติสหายตลอดถึงภูมเจ้าที่พอาง่าภูมภมิลุคะเทียวดาให้มารับส่วนบุญส่วนกุศลจากพวกเข้าทั้งหลายเมือ่อยะถาวาริวาาปูราปาริปุเรนติสาขรรังเอวเมวัย